ที่เราตรวจมนแปลเมื่อจักครู่นี้อุปาณิยติโลโกบอกโลกคือหมู่สัตอันรตราตอนไปอยู่คำว่าโลกนีน่ท่านมีความหมายอยู่เอาไปใช้กับความหมายหลายอย่างโลกคือต้นไม้ภูเขาเรากาพื้นแผ่นดินน้ำ หรือว่าโลกเป็นลูกกลมกลมมุนรอบ ด, ดวงอาทิตย์คือโลกเป็นฝ่ายวัตถุนีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็โลกโดยสภาพว่าหมายถึงสัรพสัตสัรพสัตที่อยู่ในนี้เนี่ยถือว่าเป็นโลกโลกของสัตว์ความเป็นอยู่ของสัรพสัต นั่นเองแล้วเรบอกว่าโลกคือหมูสัตว์อันตราต้อนไปอยู่อันนี้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายนี่นะมีความแก่ต้อนไปอยู่คือมีความแก่ด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้เราจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่ามันก็ ค, ค่อยแก่ไปต้อนไปเหมือนอย่างการคนเลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์คนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงงูคนเลี้ยงไก่ต้อนสัดไปข้างหน้าต้อนไปต้อนไปถ้าบอกว่าโลกคือหมูสัตว์นี่แหละหมายตอนทั้งหมูสัตว์หมูสัตว์ทั้งหลายมีมีชราต้อนไปอยู่ทั้งนั้นไม่มีใครได้ดรอดอาตุโบเป็นผู้ไมย่ยั่งยืน ไม่ยังยืนนี่ก็คืออนิจจังชาตพัสัตถ์ทั้งหลายอยู่ในกฎอันเดียวกันนี้หมดคือเป็นอนิจจังคือไม่ยังยืนอย่างสมมติว่าขณะนี้เราคิดว่าเอาละขอแล้วแคน่นี้มันแก่มามากแล้วเอาอยู่แค่นี้ก็แ ล, แล้วกันฉันเอาแค่นี้แหละไม่เรียกร้องสิทไม่เรียกร้องความสะดวกสบายความหนุ่มอะไรมากไกลหรอกอเอาแคน่นี้เอาอยู่แค่นี้ แต่ก่อนความจริงเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่านี้เอาละใ น, นเมื่อผ่านมาแล้วเอาแค่นี้ไม่ไม่เอาให้หนุ่มให้สาวให้แข็งแรงคืนมาแล้วละ่ะ แ, แค่นี้ก็ไม่ได้อทุอโวโภเป็นผู้ไม่ยังยืนขณะแมื่เดี๋ยวนี้ก็ไมยังยืนพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้ายิ่งเปลี่ยนใหญ่เรียกว่าไมา่ยังยืน อัตโนโลโก โ, โลกไม่มีผู้ต่อต้านไอ้ความเป็นไปของมันเนี่ยนะความที่ไม่ยอย่งยืนเนี่ยมันจะลาดไปหรือต้อนไปเนี่ยไม่มีใครสามารถจะต่อต้านไว้เลยเลยะสัพพะชะทั้งหลายที่อยู่ในเนี้ยจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านไม่มีสักตัวเดียวไม่มีสักคนเดียวที่จะต่อต้านไว้ได้นะ อนาพิสโรไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่คือไม่มีใครจะยิ่งใหญ่กว่ามันเท่ากันบางคนก็บอกว่ามีมีคนที่ยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าคนเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเจ้าสกภัตเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จไม่ใหญ่หรอก ในที่สุดเท่ากันโดนเขต้อนไปต้ตอนไปเหมือนกันหมดโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนที่พวกเรามาคิดกันว่าอันนั้นก็อที่ดินของฉันฉันไปซื้อไว้อันนี้ก่อที่ดินของฉันมันตกมรดกตกทอดมาจากพ่อจากแม่ปุญญาตายายแต่วันจริงแล้วนะี่ย มันมีเจ้าของอยู่มีเจ้าของคือโลกสรพพสัพตต์ทั้งหลายไม่มีจิตทั้งนั้น่ะไม่ได้เป็นเจ้าของอีกศาส บ, บางปหหะยะทำไมอย่างจําต้องละทิ้งสิ่ ท, ทั้งสิ้นและต้องไปจําต้องนะจําต้องละทิ้งคือหมายความว่ามันไม่อยากทิ้งมันไม่อยากไป ของที่เราหามาจะเป็นจะตายทรัพย์สินเงินทองก็ดียื้อเที่ยงเสียพิยศก็ ด, ดกีร่างกายนี้ว่าชมูบมรุงมีอะไรก็มาบมลุงมันเอามาตกมาแต่งให้มันสวยๆงามๆเรารักเราจะเอาไว้มาบอกไม่ได้ต้องละที่หมดอย่างนี้ต้องละที่หม ด, ลหมดแล้วต้องไปพวกเขาต้อนไปอยู่เนี่ยจะมาอยู่จะมาเอาจะมาอะไรไม่ได้ ต้องละท้่สิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไปละที่นี่ลองคิดดูนะบางคนบอกว่าชื่ออยู่ผู้ฟ้าดินจะไหลมันไม่อยู่ผู้ฟ้าดินจะไหลหรอกแต่มีชื่อเสียงเกียรติคุณดีแล้วจะอยู่กับชื่อกับเสียงนี่แหละขอใครๆเขาก็ยกต้องนับถือเราอยู่เนี่ยเราย่อมอยู่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกย่อต้องละที่สี่งทั้งสิ้นแล้วต้องไป ภูนโลโกลโลกนี่ยังต้องอยู่ถ้าเราคิดในในแง่ของโลกเนี่ยคือมันต้องอยู่อาจจะเป็นว่าสัพสัตไม่หลายแล้วมันก็ยังไม่พอมันยังไม่พอมันยังต้องการอีกทำอยู่อย่างนี้ลหละไม่เคยพอสักกี่โลกเนี่ยวาดไปต้อนไปอยู่ เขาจะเกิดมาทีหลังเกิดมารุ่นไหนเมื่อก้อนไปทั้งหมดนึกว่ามันต้อนไปหูงหนึ่งแล้วแล้วมันจะพอละมั้งมันจะเต็มที่ละมั้งเปลา่ายังไม่พอโลกยังท่องอยู่ต้องคือไม่หมายความว่ายังไม่พอยังไม่เต็มยังไม่อิ่มไม่เบือ่อคือไม่เบื่อที่จะต้อนไปไม่เบื่อที่จะจุดจะชาคลาดไปลากลูกลูกกังไปต้อนไป มันไม่เคยเบื่อหนาเลยลุกไปอย่างนั้นเหมือนอย่างกระแสน้ำนี่แหละมันไหลลงตรงที่ตําเสมอเสมอใครบอกไปทําเขื่อนกั้นไว้แล้วอยู่ได้เอาถ้ามันเกิดรอยรั่วหรืออะไรทักวิ่เดี๋ยวไม่ว่ากลางวันกัางคืนมันไม่คอยหรอกมันไหลท่วลงไปเลยความั่วก็เหมือนกันความชั่วเนี่ย ทอมเสมอที่จะฉุดจะชาติรากจิตใจรากผู้ลักคนไปถูงิดทานตัวตลอดเวลาไม่เคยยับยั้งไม่เคยหยุดเลยตันผ้าดาก็ต้องเป็นภ า, าเห น, น, านึ่นตันหานสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ล่ะที่เกิดมาในนี้เนื่องจากความไม่ไม่มีสมริดไม่มีอะไรเลย จำต้องเป็นภาตุแห่งตัณหาตัณหาคือความอยากแท้ที่จริงแล้วท่านบอกว่าเป็นภาตนะุมัน่ะที่เขาต้อนไปต้อนไปต่างๆนี่นะ่ะมันเป็นภาตของของโลกเอาแต่เสือพูดถึงว่าเป็นฝูงศัตรูของโลกเขาเขาต้อนไปอยู่เนี่ยนะแล้วยังไปเป็นาธาตของตัณหาคือความอยากอีกนะความอยากเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นใครอื่นเราอยากนะ่ะ เจ้าของเองนั่นแหละอยู่ในจิตในใจเ ข, ของเน่มันอยากเป็นธาตุของความยากล อ, องพิจารณาดูที่นคนเดาเนี่ยสัพสัตเนี่ยเขาต้อนไปต้อนไปจนไปอยู่ตัวเองยังไม่รู้ยังไปเป็นธาตุของอีกเจ้าหนึ่งคือธาตุของกันหาอีกอนั่นแหละสะภาพของ สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเรานี่ก็อยู่ในนั่นแหละเราก็อยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละโดนความแก่ความเท่าเนี่ยต้อนไปตอนไ ป, นไปเหมือนอย่างว่ามันเป็นกรรมติทมันถือกรรมติทในเราอย่างจริๆงๆจังมากเหลือเกินในโลกเนี่ยโลกมันถือกรรมติทธมดพวกเราเนี่ยอย่านึกว่าเป็นอิสระภาพแล้วอย่านึกว่าเป็นตัวผู้ตัวของตนดีนักหนานะ เปล่าล้อเป็นาธาตุของเขาแล้วไปยังมาเป็นาธาตุของกิเลสปัญหาอีกกิเลสตัญห า, ญหานี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นมันอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วนะเป็นาธาตุของความอยากเป็นาธาตุของความอยากอยากรวยอยากมีชื่อเสียงเราอาจจะไม่ไม่เห็นของตัวเองก็ดูคนอื่นที่เขามีความอยากนะั่นอ่ะอยากรวย ก็เจนกระทั่งไม่ได้หลับไมด้นอนทํามาหากินแล้วว่าควนไคอะไรต่งางๆนะไม่ได้นึกถึงบาปถึงกรรมไม่ได้นึกถึงความเหน็ดความเหนื่อยเสกเกียร์สกายตั้งแต่โน้นละมาตลอดเวลานั่นแหละเป็นธาตุนงนินเป็นธาตุของความอยากเอาถ้าสมมุติคนอยากมีเงินเยอะๆเนี่ยก็เป็นธาตุของความอยากได้เงินแต่คนอยากดัง ก็เป็นธาตของความหยากเป็นธาตของตัญหาคือความอยากดังจะอยู่เฉยๆอยู่สบบงบสงียนไม่อยู่ร่มเย็นนะ่ะไ ม, ม่ต้องไปต้องฟ้าต้องวิ่งตะลอนตะลอนไปบางทีไม่ไม่ได้ไปด้วยกายแต่จิตใจก็คิดปุ้งคิดต้านไปไม่มีวันหยุดไม่ได้มีความสุขความสงบเลยนั่นแหละคนเป็นอย่างนั้นแหละสัปดาหต่าทั้งหลายเป็นอย่างนั้น เนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เรามันจะมีประโยชน์อะไรลองคิดดูเถอะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รู้กํามพืชของตนได้รู้เรื่องรู้ราวของตนว่าบัตนี้เรานะ่ะอยู่ในสภาพอย่างนี้เขากําลังต้นไปอยู่ต้นไปสู่ความหายนะิน่ะความผิดหายต้อนไปสู่ภัยในขณะที่เขาต้อนไปอยู่เนี่ยก็ยังเป็นธาตุของความอยากอีก นี่แหละเราจะได้รู้จักว่าเราจะนิ่งนอนใจทําไมเราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้เลยวิธีที่จะรอดจากคนจากความเป็นภาดของตัณหาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านสัตย์สอนไว้แล้วแล้วท่านยังไงเราพฤ่งปฏิบัติทำศึกษาให้รู้รู้ว่าเราจะดําเนินไปทางไหนจะเดินไปทางไหนจะทํำยังไงแล้วก็ลงมือเดินอยู่ตัวนี้ เริ่มเดินออกเดินทางเลยที่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้อย่างที่เราสวดเมือ่อตะกี้อีกแหละมีพระสูตรในอกวข้อให้มีความเห็ น, นันถูกต้องนัานบอกว่าให้ดําริในการที่จะออกจากกามดําริในการที่จะไม่ไม่เบียดเบียนดําริในการที่จะไม่พยาบาท ไม่เกลียดไม่แค้นไม่ปองไม่ร้ายท่านบอกว่าเมฆค่ำมาตั้งกับโปอับพยาปะตะตั้งกับโปเอายิ่งิ่งต้าตั้งกับโปนัความภาคเทียนก็ภาคเทียนให้ตนของตนเองเป็นอิสระจากความเป็นธาตุหรือธาตกัญหาเนี่ยดังนั้นที่เรามาภาวนามาปฏิบททัติอย่างนี้นะ่ะ ก็คือให้เราพ้นจากความเป็นธาตุแห่งสัรหาเสียก่อนถ้าเป็นพ้นจากความเป็นธาตแห่งสัรหาได้การที่โลกมันจะมาไล่ต้อนไปต้อนไปต้อนไปอยู่เนี่ยมันหมดเหมือนกันมันหมดเพราะว่าเราไม่มาคุกคีกับมันแล้วไม่มาอยู่เป็นุู้งั้นให้มันต้อนอีกแล้วมันก็ต้อนไม่ได้แล้วถ้าเราหนีไปจากตรงเนี้เรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้น ทำเภาวนาเานี่ยมันจะยากยังไงก็ทำเนี่ยต้องไปเกี่ยงไปงอนเกี่ยงให้บุคคลนั่นดีซะก่อนให้อาจารย์ดีซะก่อนให้อาจารย์มาซะก่อนให้มีหมู่มีเพื่อนซะก่อนอย่าไปเกี่ยงมันเลยอย่าไปเกี่ยงเช้าสายบ่ายเย็นไม่ต้องเกี่ยงแล้วกาบใดเมื่อไรที่เรายัางมีจิตมีใจอยู่ก็คือยังไม่ตายเนี่ยเมื่อนั้นเราก็ฝึกฝนจิตใจกาหนดจิต ให้ลงสู่ความสงบพยายามให้จิตไม่เป็นพาดเมื่อจิตสงบจิตมีกำลังก็ใช้จิตนั่นแหละมาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นทำไมเราถึงไปชอบไปรักมนักหนาทำไมถึงไปสูกปัะทันมนักย์สิ่งต่างๆนั่นสิ่งที่น่ารักก็ปูกก่อพันก็รักสิ่งที่ไม่น่ารักที่เกลียดที่ชังน่ะ ไปผูกขั้นนี่แหละไปโกรธมันอยู่นั่นแหละไม่วางทําไมมันดีเป็นอย่างนั้นไงเรามาพิจารณาเราก็จะเห็นนรอกจะเห็นรูปเห้นทางเออสิ่งต่างๆนั้นมันสมควรจะวางแล้วสิสมควรจะวางแล้วนะแล้วมันก็จะได้พยายามปล่อยพยายามวางวิธีทางวันนี้อย่หรอกวิธีจะวางวางยังไงเราพึ่งปฏิบัติทําให้ใจิตใจมีกําลังมีสมาธิมีสติฉันทะฉันยะ เมื่อตั้งใจจะวางจะปล่อยจะเลิกมันจึงจะเลิกได้จะปลดได้ต่อไปนี้ฝังเทศของลงสู่นั่งต้อนาะ